สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่ยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยยี่สิบเก้าเรื่องการทรงจำแรงพระวรากายเมื่อวานนี้ผมได้อ่านในมัทธิวนะครับบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ในเช้าวันนี้นะครับผมจานต่อข้อที่ห้าจนถึงข้อที่สิบสามโปรดฟังโพชนะของพระเจ้าเปโต ทูลยังไม่ขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลย เมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวเมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านิมิตรซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเหล่าสาว ก, ก็ทูลถามพระองค์ว่าเพศไหนพวกธรรมจารจรึงว่าเอลียาต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริง และทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอริยานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไห่แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตัดแก่เขาเล็งถึงยอนผู้ให้รับบอบติศมาพี่น้องครับ เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันนะครับว่าโมเสสและเอลียาสองคนนี้นะครับเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาบนภูเขาเฮอร์โมนเพื่อพูดคุยสนทนากับพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเกี่ยวกับการที่โปรงจะกลับบ้านนะครับการที่โปรงจะจากโลกนี้ไปไปกลับไปสู่นิรันดร์การพี่น้องครับอัครทูตที่พูดพระงขึ้นมาในช่วงเวลาช่วงวินาที อันเปี่ยมด้วยแสงาราศีนะครับอะไรที่แว บ, บเข้ามาในสมองของเขาในมารโกบที่เก้าข้อห้าได้พูดนะครับว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าโปร่งทำเพลิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอเลียหลังหนึ่งที่นั่งับที่นี่เรารู้ว่าเปโต พูดพโล่งออกมาคือปกติแล้วเปโตก็เป็นคนที่ใจร้อนเปนโตนั่นก็พูดนะครับพูดก่อนคิดหรืออาจจะพูดไปคิดไปมีอะไรนะครับก็พูดตรงๆชัดเจนรวดเร็วเปโตอาจจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและเขากับยากรกับยอนก็คงจะรู้สึกตกใจกลัวต่อสิ่งที่ได้เห็นได้ยินปรหลาดใจ และเพงิงพูดถึงเพงิงเพิงที่เปโตพูดถึงนี้ก็หมายความว่าเป็นเพิงที่ชาวยิวสร้างขึ้นนะครับในเทศกาลอยู่เพิงนั่นเองเป็นเพิงที่ชาวยิวสร้างขึ้นทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองเมื่อครั้งอาศัยอยู่ในเพิงหรือในเต้นเมื่อคราวเดินทางออกจากอียิปต์เข้าสู่คณาอันเห็นไหมครับพี่น้องครับเพิงนี้เปโตใช้เพื่ออะไรครับ คำว่าเพิงก็คือการที่ชาวยู่แต่ละครอบครัวจะรวบรวมกลิ่งกิ่งไม้ใบไม้มาสร้างเป็นเพิงเล็กๆบนดาดฟ้าอาศัยอยู่ในเพิงนั้นปีนึงนะครับครั้งหนึ่งครั้งละเจ็ดวันครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะรู้เทศกาลอยู่เพิงก็เปิดเข้าไปในเลวีนิติครับบทที่ยี่สิบสามข้อที่สามสิบสี่เลวีนิติบทที่ยี่บสาข้อสามสิบสี่ หรือเปิดในเฉลยธรรมัญญิบทที่สิบหกขสิบสามเฉลยธรรมัญญิบทที่สิบหกสิบสามพี่น้องครับเปโตรคิดอะไรอยู่เปโตรอาจจะคิดว่าเพลิงเนี่ยนะครับจะอาจจะช่วยโน้มน้าวใจของโมเสสและเอลียากับพระเยซูเนี่ยให้อยู่ต่อสักหน่อยเพราะพระเยซูโมเสสเอลียานั้นพูดถึงเรื่องการจากไปเปโตรก็เลยอยากจะโน้มน้าวโน้มน้าวใจให้อยู่ต่อสักหน่อยก็เลย อาจจะเป็นกลัวร้อนนะครับหรือยังไงก็ตามเนี่ยพี่น้องครับเปโตรคงจะคิดว่าทำอย่างนี้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนี้รวมทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาด้วยในมัทธิวบทที่17ข้อ15ขอโทษครับมัทธิวบทที่17ข้อ5กล่าวว่าขณะที่เปโตรทูนยังไม่ขาดทําก็มีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว มีพระเสสุระเสียงกล่าวจากเมฆขึ้นว่าท่านภูนี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านภูนี้มากจงเชื่อฝังท่านเถิดน้องจําได้ไหมครับข้อความเดียวกันนี้พบในพระธรรมมัทธิวบทที่สามข้อหนึ่งนะครับก็เป็นการยืนยันรับรองพระเยซูจากพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเหการณนี้เกิดขึ้นมัทธิวก็ล่า ว, ว่าสาวกสามคนก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักแต่พระเยซูเสด็จมาแตะต้องข้ารงสามจัดว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลย มารโกบันทึกว่าแล้วสาวกทั้งสามก็ประจักษ์ว่าพวกตนอยู่ตามลำพังอีกโมเสสและเอลียาไม่อยู่เสียแล้วพระเยซูก็กลับมาเป็นเช่นเดิมพี่น้องครับเราคิดว่าทำไมพระเจ้าจัดเตรียมให้มีการพบปะอย่างมาสดจันท์ครั้งนี้ของพระเยซูโมเสสและเอลียานะครับคำตอบก็คือพระเจ้าทรงตั้งพระไทยให้เกียรติ พระบุตรของพระองค์เพื่อหนุนใจและยืนยันกับพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จสู่กังเขนเราไม่ทราบว่าโมเสสรยาทูลพวกว่ายัางไงครับแต่เขาทําให้เปียสุได้รับการฟื้นฟูจิตใจที่ได้สนทนากับคนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับสาวกรั้งสามก็ต้องประทับใจมากในความยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์ของเขาตามที่ตนได้เห็นการกาแรงพระกายในครั้งนี้ พี่รองครับเหตุการณ์นี้กําลังบอกอะไรพวกเราครับแน่นอนครับประการแรกก็คือยืนยันถึงความจริงแห่งการที่ร่างกายของเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับยืนยันถึงความจริงแห่งเหตุการณ์ที่ว่ามีวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมาความตายร่างกายของเราจะรอดประการที่สองครับ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้ว่าพระบิดาแครพระบุตรมากไม่เพียงแต่ส่งสองคนก็คือโมเสสเอริยานะครับเพื่อจะหนุนใจและยืนยันพระเยซูในการเสด็จสู่กางเขียนนี่เป็นประการที่สองครับประการที่สามก็คือว่า เราสังเกตนะครับแซลทั้งสามรู้จักโมเสสเอลียานะครับก็ดจากการได้ยินเขาพูดคุยกันใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นโมเสสเอลียามา ก, ก่อนนั่นคือแสดงว่าพระเจ้ากาลังเปิดเผยให้เราเห็นเห็นถึงสภาพของแผ่นดินสวรรค์เห็นถึงสภาพของสวรรค์เห็นว่าเราจะเป็นอย่างไร เมื่อเราขึ้นสู่สวรรค์เราจะรู้จักกับบรรพชนแห่งความเชื่อทุกๆคนเราเคยรู้เรื่องเขาแต่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเราไม่ได้สัมผัสร่างกายกันเราไม่ได้พูดคุยกันพี่น้องครับนี่คือเหตุผลอย่างน้อยสามประการที่เหตุการณ์ครั้งนี้กำลังจะบอกเราพี่น้องครับเมื่อคิดถึงภาพต่างๆเหล่านี้ผมเอง มีความรู้สึกที่ชื่นชมยินดีมากครับเพราะเราจะได้พบกับคนเหล่านี้บนสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นครับเราพบกับคนที่รักบนสวรรค์เช่นเดียวกันอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักที่จากไปหรือแม้กระทั่งพบกับองค์พระเยซูคริสต์คนที่เรารักมากที่สุดและผู้ที่รักเรามากที่สุดผู้ที่ยอมเสียสละประชนชีพของพระองค์ตายแทนเราเมงเขียน แต่ผู้ที่ทำให้เรารอดเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับแต่พระเยซูหลังจากที่พระเยซูเสด็จลงมาจากภูเขาแล้วพรงห้ามม่ให้พวกเขาแขพร่พายให้กับคนอื่นนะครับลูกลาบทที่เก้าข้อสามสหกบอกให้เราทราบว่าเหล่าสาวกเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังเลยครับว่าตัวเองเห็นอะไรจนกระทั่งบันทึก เป็นพระกัมภีขึ้นมาพวกเขาก็ได้ทาตามในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงห้ามไว้และในที่สุดหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นหความสายชเชเดสู่สวรรค์แล้วเหตุการณ์นี้จึงได้รับการบันทึกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเวลาของพระองค์มาถึงสิ่งที่ตรงได้ทรงต้องการให้เราทา และสิ่งที่พระเยซูจะทำให้กับเราด้วยแล้วแต่ก็ถึงเวลาแล้วก็จะสำเร็จให้เราเชื่ออย่างนี้นะครับขอบพระเจ้าโวยพรทุกท่านอาเมน